เพื treaties, have, ่อจะได้มีที่พึ่งที่ดีเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีทั้งในชาตินี้และในชาติที่จะตามมาต่อไปเพราะพบชาตินี้จะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การสร้างบุญรบารมีหรือการสร้างบาปกรรม ถ้าสร้างบุญบารมีก็จะได้พบชาติที่ดีถ้าสร้างบาป ก, กรรมก็จะได้พบชาติที่ไม่ดีพวกเราที่มาเกิดนี้เราก็มีความแตกต่างกันในด้านหลายอย่างในหลายด้านด้วยกันมีรูปร่างหน้าตาที่มีความสวยงามไม่เท่าเทียมกันมีผิวพรรณ ที่ไม่ผ่องใสเท่าเทียมกันมีฐานะการเงินการทองไม่เท่าเทียมกันมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดไม่เท่าเทียมกันมีศีลมีมีธรรมไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรเพราะในอดีตชาติเรา สร้างมาไม่เท่ากันนั่นเองแล้วเมื่อถึงเวลามาเกิดเราก็เลยได้ได้ผลที่แตกต่างกันไปถึงแม้จะมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกันแต่ความแตกต่างของพี่ของน้องก็ยังมีอยู่พี่บางคนก็ฉลา บางคนก็ไม่ฉลาดน้องบางคนเก่งบางคนไม่เก่งทงั้งทที่มาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่สิ่งที่พ่อแม่ให้ให้แก่ลูกได้ก็คือเพียงร่างกายเท่านั้นเองคนเรามีองค์ประกอบอยู่สองส่วนมีร่างกายและมีใจใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่ใจนี้มาจากชาติก่อน พอตายไปก็ใจก็ออกจากร่างกลายเป็นดวงวิญญาณเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วพอมาได้ร่างกายอันใหม่ก็เรียกว่าใจใหม่ใจนี่แหละที่มีความแตกต่างกันที่เอาบุญเอาบาปมาสุดแท้แต่ว่าจะเคยทำอะไรไว้ถ้าทำบาปก็จะเอาบาปมาถ้าทำบุญก็จะเอาบุญมา ถ้าทำทั้งบาปทำทั้งบุญก็อเอาทั้งบาปเอาทั้งบุญมากนเราส่วนใหญ่จึงมีทั้งบาปมีทั้งบุญเพราะเราทำบาปทำบุญกันมาในอดีตพอมาเกิดในชาตินี้เราก็มาทำบาปทำบุญกันอีกวันนี้เรามาทำบุญกันแต่บางวันเราก็ไปทำบาปหรือพอเราออกจากวัดไปเราก็พูดกโกหกกัน อย่างนี้ก็ถือว่าทําบาปแล้วหรือเราไปเอาของของคนอื่นเขามาโดยไม่ได้อนุญาตหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นอย่างนี้ก็ถือว่าทําบาปแล้วถ้าทําบุญก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง หรืออยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดหนังสือธรรมะมาอ่านเปิดเทศฟังอย่างนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่เราว่าเราจะทำอะไรกันเมื่อเราทำแล้วผลนี้มันก็ต้องเป็นไปตามการกระทำของเราเราจะไปโทษใครไม่ได้พี่น้องเกิดมาในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกัน แต่ก็มีความความเหลื่อมล้ำต่าสูงต่างกันไปบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ไม่ร่ำรวยบางคนฉลาดเรียนจบปริญญาเองบางคนก็ไม่จบปริญญาเองได้แค่ป .6 หรือม .3 นี่เป็นเพราะใจของเขาไม่ได้สร้างบุญบารมีนั่นเองบุญบารมีที่จะทำให้คนเราเรียนหนังสือเก่งๆได้ปริญญาสู ง, สง เรียกว่าปัญญาบาลมีคือต้องมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างปัญญาบาลมี <Yeah. S 1> เมื่อมีปัญญาบาลมี <Yeah. S 1> ก็จะทำให้เราเป็นคนฉลาดทำให้เราเป็นคนเรียนเก่ง <Yeah. S 1> เรียนหนังสือเก่งเรียนได้สูง ถ้าเราไม่มีปัญญาเราอยากจะเรียนเราก็เรียนไม่ได้เพราะเวลาอาจารย์สอนเราก็ฟังไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องเวลาไปสอบก็สอบไม่ผ่านสอบตกนี่คือเรื่องของใจของพวกเราใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายและบุญและบาปก็ไม่ได้หมดไปกับร่างกายบุญและบาสนี้ติดมากับใจ เป็นเหมือนเงาตามตัวถ้าเราไม่อยากที่จะไปตกต่ำไปได้รับความทุกข์ความทรมานก็อยากไปทําบาปทํากรรมถ้าเราอยากจะได้แต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าเราก็ต้องพยายามสร้างบุญบา ร, รมีให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ญาติโยมมาสร้างบา ร, รมีกันหลายอย่างด้วยกันประการแรกก็คือทานบารมี ทานก็คือการให้การให้ของของเราที่เราไม่ได้ไปขโมยของใครมาเป็นของเราจริงๆแล้วเรายกให้กับคนอื่นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทานของที่เราจะยกให้กับคนอื่นได้ก็มีหลายอย่างด้วยกันนอกจากข้าวของเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายในวันนี้แล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เรายกหรือให้กับผู้อื่นได้ เช่นความรู้เรามีความรู้เราสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนอย่าง u, u c, นี้โดยไม่คิดเงินทองเช่นเด็กอยากจะเรียนวิชาอะไรถ้าเรามีความรู้ความสามารถในวิชานั้นเราก็สอนให้เด็กไปสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นเราสอนโดยไม่เอาเงินเอาทอง อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานเนี่ยทานอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อภัยเรียกว่าอภัยทานคือไม่ถือโทษโกดเคืองใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ไม่ถือโทษกดเคืองเราให้อภัยเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้อีกอย่างหนึ่ง และการให้ประการสุดท้ายก็คือการให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแล้วเราก็สอนคนอื่นเห็นคนอื่นเขาทำบาปก็สอนให้เขาอย่าไปทำบาปอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าธรรมทานทานทั้งสี่ชนิดนี้การให้ธรรมะนี้ ถือว่าเป็นการให้ที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าที่สุดชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะให้ธรรมะแล้วทำให้ใจฉลาดทำให้ใจได้ไปเกิดพบชาติที่ดีมีแต่ความสุขความเจริญไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะเพราะธรรมทานนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรง สอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกแล้วก็มีผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามจนบรรลุมากผลนผิพพานเป็นจำนวนมากไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เงินให้ทองก็อย่างมากก็เพียงแต่ให้หลุดพ้นจากความยากลำบากทางร่างกายเช่นร่างกายไม่มีอาหารพอได้เงินก็ไปซื้ออาหารมารัประทาน แต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะเงินนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ของใจได้ไม่มีเสื้อผ้าใส่มีเงินก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ได้ไม่มียารักษาโรคก็ไปซื้อยารักษาโรคมารักษาร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะรักษาโรคของจิตใจได้ต้องมีธรรมะเท่านั้นที่จะรักษา โรคภัยไข้เจ็บของจิตใจคือความทุกข์ทรมานใจต่างๆถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์ทรมานใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะธรรมะจะสอนให้เห็นถึงความจริงสอนให้รู้จักปล่อยวางสอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าเราไปยึดไปติดเวลาเขาไปจากเรา เราก็จะเสียอกเสียใจแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเวลาก็จากเราไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเวลาเราไปยืมของของคนอื่นมาเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งเจ้าของก็ต้องเอามามาเอาคืนไปหรือเราต้องเอาคืนเจ้าของไปทุกสิ่งทุกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหลานเป็นอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปหรือสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปไปคนละทางกันนี่คือการให้ธรรมะมีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่มีธรรมะถ้าเราเห็นหนังสือธรรมะดีๆ เราอ่านแล้วเราเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์เราก็ซื้อมาแจากก็ได้หรือช่วยหรือช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆแจกก็ได้อย่างนี้ก็จะทำให้คนที่เขามืดบอดทางด้านจิตใจทางด้านปัญญาจะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วจะได้มีที่พึ่งจะได้มียารักษาโรคของใจของเขา ไม่ต้องทุกข์ทรมานไปตลอดเวลาไม่ต้องไปตกนรกอยู่ตลอดเวลานถ้ามีธรรมะแล้วต่อไปจะไม่ไปตกนรกจะมีแต่ไปสวรรค์ไปพระนิพพานเท่านั้นเพราะธรรมะจะสอนให้เราเห็นโทษของการกระทำที่เป็นบาปเป็นกรรมทำไปแล้วจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ทรมานใจนี่คือเรื่องของทานบา ร, รมี พวกเราก็ทําได้ทั้งทั้งสี่รูปแบบเราไม่มีเงินเราก็ยังให้ทานได้ให้อภัยได้ใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ให้อภัยเขาอย่าไปถือเโทษโกดเคืองเขาอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเพราะการถือโทษโกดเคืองจองเวรจองกรรมนี้จะทําให้ใจของเรารุ่มร้อนจะทําให้ใจของเราเหมือน <c oughs> เหมือนตกนรก พอเราให้อาภัยได้แล้วใจของเราก็จะเย็นใจของเราก็จะสงบกลายเป็นสวรรค์ไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทํำบาปทากรรมถ้าใจเราทุกร้อนโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทใจของเราจะต้องไปทําอะไรเสียหายต่อไปเพราะเมื่อใครมาทําอะไรทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเราก็ต้องล้างแค้นจองเวรจองกรรม ดาบต่อฟันต่อฟันตาต่อตาแต่พอเราทำไปแล้วเราก็ต้องรับโทษตามมาต่อไปทั้งในปัจจุบันโทษของบ้านเมืองถ้าไปทำร้ายผู้อื่นเขาก็ไปแจ้งความได้เขาก็ต้องมาจับเราไปลงโทษส่วนโทษทางด้านจิตใจทางดวงวิญญาณตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบาย แต่ใช้กรรมในอบายขึ้นอยู่กับว่ากรรมที่ทํานี้หนักเบามากน้อยเพียงไรถ้าเป็นกรรมที่หนักมากก็ต้องไปตกนรกถ้าเป็นกรรมที่ไม่หนักมากก็ไปเป็นเดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องของบาปกรรมบาปกรรมเราจึงไม่ควรที่จะกระทํากันเราควรจะทําทบุญบารมีกัน บารมีนอกจากทานแล้วก็ยังมีศีลบารมีศีลบารมีก็มีทั้งศีลหศีล8ศีล10ศีลสองิบเจ็ดข้อเราเลือกทําก็ได้บางท่านก็เอาแค่ศีลหบางท่านก็เอาศีล8บางท่านก็เอาศีลสิบางท่านก็เอาศีลสองริบเจ็ดรักษาศีลเหล่านี้ได้แล้วก็จะทําให้ใจของเราเป็นใจที่สวยงาม เป็นใจที่น่ารักมีคนอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่ไม่มีศีลนี้จะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเพราะเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นนั่นเองแต่คนที่มีศีลนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นอยู่กับคนที่มีศีลแล้วสบายอกสบายใจมีข้าวของเงินทองก็จะไม่สูญหายไป มีสามีมีภรรยาก็จะไม่มีใครมาแย่งไปชีวิตของเราเขาก็จะไม่ทำลายคำพูดของเขาก็จะมีแต่ความจริงไม่พูดโกหกหลอกลวงนี่คือความสวยงามของมนุษย์เราต้องสวยงามที่ใจอย่าไปสวยงามที่ร่างกายสวยงามที่ร่างกายนี้เป็นความสวยงามที่ไม่มีสาระไม่มีอะไร พอสวยที่ร่างกายแต่ถ้าใจไม่สวยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยต่อให้สวยอย่างไรทางร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอาภรรที่สวยงามแต่ใจบาปใจกรรมนี้ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ดังนั้นขอให้เราควรจะให้ความสนใจต่อความสวยงามทางจิตใจพยายามรักษาศีลกันให้ได้ มากน้อยก็พยายามทำไปถ้ายังคิดว่ารักษาทั้งห้าข้อไม่ได้ก็เอาข้อหนึ่งก่อนก็ได้สองข้อก็ได้สามข้อก็ได้พยายามทำไปเทียรเล็กเทียน้อยแล้วพอเราเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลต่อไปเราก็จะทำมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะถ้าเรารักษาศีลได้แล้วใจเราจะสบาย เรารักษาศีลไม่ได้แล้วใจเราจะวุ่นวายเช่นเราโกหกคนอื่นอย่างนี้เราก็จะวุ่นวายกลัวเขาจะจับได้จับว่าเราโกหกหรือบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเราโกหกอะไรไปเดี๋ยวก็พูดผิดอีกโกหกอย่างหนึ่งแล้วพอลืมไปก็มาพูดก็ไปพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเป็นคนไม่น่ารัก จะไม่มีเพื่อนคนเรานี้อยู่ในโลกนี้ต้องมีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนแล้วลำบากอยู่คนเดียวนี้ทําอะไรลำบากถ้ามีเพื่อนแล้วทําอะไรก็สะดวกจะสร้างบ้านจะทาอะไรทําคนเดียวไม่ได้ถ้ามีเพื่อนหลายๆคนมาช่วยกันสร้างก็จะทําให้งานมันเบาขึ้นดังนั้นเราต้องมีศีลถ้าเราอยากจะมีเพื่อนที่ดี รักษาศีลไว้แล้วคนดีเขาจะมาหาเราคนไม่ดีเขาจะไม่มาเพราะคนดีจะชอบอยู่กับคนดีคนชั่วชอบอยู่กับคนชั่วคนดีเช่นไม่ดื่มสุราคนที่อยากจะดื่มสุราเขาก็ไม่อยากจะมาคบกับเราเพราะชวนเราไปดื่มสุราเราก็ไม่ไปอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ต้องไปคบคนที่ชอบดื่มสุราด้วยกัน คนชั่วจึงมักจะพ บ, บกับคนชั่วคนดีจึงมักจะพบกับคนดีเหมือนน้ำกับน้ำมันที่มันจะไม่ปนกันน้ำก็จะอยู่ส่วนน้ำน้ำมันก็จะอยู่ส่วนน้ำมันคนดีก็จะอยู่กับคนดีคนไม่ดีก็จะอยู่กับคนไม่ดีเช่นวันนี้พวกเรามาวาดกันนี่ก็ถือว่าเป็นคนดีกันเรามาทำบุญให้ทานเรามารักษาสิ่งเรามาทำความดีกัน คนที่ไม่ชอบทำความดีเขาก็ไม่มากันเช่ mm. นตอนนี้ mm. เขายังอาจจะนอนอยู่ก็ได้เพราะเมื่อคืนนี้ไปดื่มเหล้าเมายาจนตื่นไม่ไหวชวนมาเขาก็ไม่มา mm. นี่แหละคือความจริงเป็นอย่างนี้คนเราอยากจะดูว่าคนเราดีไม่ดีขอให้เราดูตรงศีลห้านี้ก็พอว่าเขามีศีลห้าหรือไม่มีศีลห้าอย่าไปฟังคําพูดของเขา คำพูดของคนนี้เป็นคำพูดที่ไม่มีไม่มีน้ำหนักชอบอวดคุยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่าง น, น, น, างนี้อยากไปฟังขอให้ดูความจริงว่าความประพฤติของเขาเป็นอย่างไรถ้าเขาพูดอย่างหนึ่งแล้ ว, ลวทำอย่างหนึ่งนี้ก็ถือแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือแล้วนี่คือศีลบารมีถ้าเรามีศีลบารมีแล้วเรา เวลาเราไปเกิดใหม่เราไม่ต้องไปเกิดในอบายเพราะศีลนี้จะป้องกันไม่ให้เราไปตกต่างไม่ให้ไปเกิดในอบายไม่ไปกไม่ไปตกนรกถ้าอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ขอให้รักษาศีลให้ได้นี่เรียกว่าศีลบารมีบารมีอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าเนคขมบารมีนี่คือบารมีสำหรับนักบวช คือผู้ที่อยากจะหาความสงบทางด้านจิตใจผู้ที่ไม่อยากจะหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไม่อยากไปหาความสุขกับการดูหนังฟังเพลงกับการดื่มกับการรับประทานกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพวกนี้จะมาอยู่วัดมานุ่งขาวหุ่มขาวกันแล้วก็ถือศีลเพิ่มอีกสามข้อศีลสามข้อนี้เรียกว่าศีลเนธขมมะคือ คือไม่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่หลับนอนกับสามีภรรยาคู่ครองของตนไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามไม่ใช้น้ำหอมไม่ใช้เครื่องสำอางไม่หาความสุขกับการบันเทิงต่างๆร้องลําทำเพลงอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆจะบอนอนบนพื้นไม้ปูเสือ่อหรือปูผ้านอนแบบเพื่อให้พักผ่อนร่างกายถ้านอนบนฟูกหนาๆแล้วจะไม่ยอมตื่นถึงแม้ตื่นแล้วก็จะข อ, อนอนต่อทั้งๆที่ร่างกายก็บอกว่าพอแล้วแต่กิเลส ย, ยังอยากจะนอนต่อก็จะทําให้กลายเป็นคนเกียดค้านไป จะไปทำงานทำการก็ไปไม่ทันเพราะนอนสายนอนมากเกินไปถ้านอนบนพื้นไม้แล้วเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากไม่ก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม้มันแข็งนั่นเองก็จะได้รีบลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตนต่อไปถ้านอนบนพื้นไม้วะรับรองได้ว่าจะไปทำงานไม่สายจะไปโรงเรียนไม่สาย โดไปทำอะไรไม่สายแต่ถ้านอนบนฟุ่งหนาๆนแล้วจะไปสายแล้วดีไม่ดีอาจจะไม่ไปเลยก็มีขี้เกียจไม่อยากจะลุกเพราะนอนบนฟุ่งนี่มันแสนสุขแสนสบายนั่นเองนี่คือการสร้างนิคัมมาบารมีคือการออกจากความสุขทางรูปเสียงกลิ่นนสดออกจากความสุขจากทางร่างกายไม่หาความสุขทางร่างกาย แต่หาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบความสงบความสุขของจิตใจที่สงบนี้มีน้ำหนักมีคุณค่ามากกว่าความสุขที่เกิดจากความสุขทางร่างกายเป็นแสนเป็นล้านเท่าแล้วก็เป็นความสุขที่อยู่กับใจไปตลอด แล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายเวลาจะไปเที่ยวข้างนอกนี้ต้องมีเงินถึงจะไปได้ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ไม่มีเงินก็ต้องอยู่บ้านว้าวเวแต่ถ้ารู้จักหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์จากการทําสมาธิไม่มีเงินก็หาความสุขได้อยู่บ้านก็ไม่ว้าวเวพออยู่บ้านก็นั่งสมาธิทาจิตใจให้สงบ พอจิตใจสงบแล้วความว้าเว่ก็จะหายไปความว้าเว่นี้เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจเองพอคิดอยากจะไปเที่ยวก็เลยคิดว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันว้าเหว่มันเหงาหงอยต้องออกไปดูนั่นฟังนี่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาถึงจะมีความสุขแต่หารู้แมว่ามันเป็นความสุขเดียววพอกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอีก พอกลับมาอยู่บ้านก็เศร้าซ้าอยน้อยเหงาเหมือนเดิมก็เลยต้องดิ้นออกไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องดิ้นหาเงินหาทองมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอใช้เพราะต้องไปเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆนั่นเองถ้าเราสามารถหาความสุขทางจิตใจได้สร้างความสุขภายในใจได้ ด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีด้วยการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดีถ้าเรามีสติจดจอ่อควบคุมบังคับให้ใจทำงานเหล่านี้ใจของเราจะสงบตัวลงพอสงบตัวลงแล้วก็จะไม่มีความอยากไปไหนขี้เกียจไปไปแล้วเหนื่อยไปแล้วต้องเสียเงินก่อนจะออกจากบ้านก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำอาบท่า พอไปกลับมาก็เหนื่อยก็ต้องกลับมาอาบน้ำอาบท่ามีแต่งานให้ทำอยู่บ้านนี้สบายไม่ต้องอาบน้ำอาบท่าไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องเสียเงินเสียทองมีเงินมีมีความสุขอยู่ภายในใจที่เกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการสวดมนต์เกิดจากการบริกรรมพุทโธพุทโธ นี่คือเรียกว่าเนคขมมะบารมีผู้ใดทําสร้างเนคขมมะบารมีนี้ได้แล้วผู้นั้นจะอยู่อย่างร่มเย็ยนเป็นสุขจะไม่ค่อยมีปัญหากับใครเพราะอยู่คนเดียวได้นั่นเองไม่ต้องมีสามีไม่มีภรรยาถ้าอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องกันลั ก, กันเทียงแค่ม้อข้าวไม่ทันดำ พอหลังจากนั้นไม่ไม่นานก็เริ่มทะเลาะกันแนละ้วว่ามีความคิดความเห็นไม่เหมือนกันคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้นก็ไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้ต่อไปก็จะต้องแยกทางกันถ้าจะอยากจะอยู่ด้วยกันไปตลอดลอดฝันก็ต้องรู้จักให้อภัยกันต้องรู้จักให้เขาอยากจะได้อะไรเขาอยากจะทำอะไรก็ต้องให้เขาไป ถ้าอย่างนี้ก็พอจะอยู่กันได้ถ้าต่างคนต่างเอาใจของตัวเองอยากจะได้อยากจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้เขาจะทาหรือไม่ทําก็ไม่สนใจอย่างนี้ต่อไปก็อยู่กันไม่ได้นานเพราะชีวิตคู่นี้เป็นเป็นเหมือนกับอวัยวะเดียวกันเหมือนร่างกายอันเดียวกันเหมือนขาสงขาขาหนึ่งจะไปทางซ้ายขาหนึ่งจะไปทางขวาเดี๋ยวร่างกายก็ฉีก ขาดไปไม่ได้จำได้ชีวิตคู่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าต่างฝ่ายตา่างอยากจะทําตามใจชอบก็จะอยู่กันไปไม่ตลอดนอดฝันถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปมีคู่ดีกว่ามาหาความสุขกับความสงบของใจดีกว่าพอมีความสงบแล้วใจก็จะไม่อยากมีสามีไม่ไม่อยากมีภรรยาเพราะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องวุ่นวาย เป็นเรื่องของปัญหาต่างๆและยิ่งถ้ามีลูกมาอีกก็ยิ่งเป็นภาระหนักขึ้นไปใหญ่ต้องเลี้ยงลูกเงินทองหาแทบเป็นแทาตายก็ต้องเอามาเลี้ยงลูกต่อไปนี่คือปัญหาของชีวิตคู่ปัญหาของคนที่ไม่สามารถสร้างเนคขมมะบรมีได้เป็นคนที่อยู่เฉยๆคนเดียวไม่ได้ยังว้าเหว ย, ยังอ้างว้างปาเปลี่ยวยังเศร้าซ้อยหอยเหงา ก็เลยต้องหาคู่ครองพออยู่แล้วก็กลายเป็นกระสอบทรายกลายเป็นคู่ชกคู่ซ้อมกันเวลารักกันก็ดีอยู่แต่เวลากดกันก็เดี๋ยวก็ด่ากันก็ทุบตีกันทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้บ้างเห็นอยากจะมีคู่กันมากเหลือเกินไม่เคยคิดถึงเวลาที่จะต้องตีกันต้องทะเลาะกันหรือต้องแยกทางกัน ลองอาไปคิดให้ดีอยู่คนเดียวนี่ดีที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าเคยมีสามีเคยมีภรรยาเคยมีลูกท่านบอกว่าทุกข์เนาะวุ่นวายเนาสู้ไปอยู่คนเดียวดีกว่าทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแล้วก็ได้พบกับความสุขที่ไม่มีความวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสุขเกิดจากการเจนเนมมริญเลขมบารมี ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะทดลองดูบ้างเช่นวันพระนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถือศีลแปดกันวันธรรมดาก็ให้ถือศีลห้าวันพระก็ให้ถือศีลแปดลองมาอยู่วัด น, นุ่งขาวห่มขาดูสักวันหนึ่งลองอดข้าวเย็นเราไม่ต้องนอนกับแฟนดูสักคืนหนึ่งดูซิว่าจะตายหรือไม่ดูซิว่าจะมีความสุขมากกว่าหรือไม่ ทดลองดูถ้าไม่ดีจริงแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงมานำมาสั่งสอนพวกเรานี่คือเรื่องของบา ร, รมีที่พวกเราควรจะสร้างกันให้มากๆเพราจะทําให้ชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด, ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าการได้เงินได้ทองกองเท่าภูเขามาเพราะเงินทองนี้ไม่สามารถมา แก้ปัญหาใจได้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้มีแต่บุญบารมีนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ความมุ่นวายใจต่างๆได้ยางขอให้ทำกันไปให้มากๆยิ่งขึ้นสร้างทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีปัญญาบารมีและบารมีอื่นๆตามสมควรแก่กำลังแล้วเราจะได้มีที่พึ่ง เราจะได้มีความสุขถึงแม้เราจะตกทุกข์ได้ยากไม่มีเงินไม่มีทองก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรนั่นเองอยู่โดยไม่มีเงินมีทองก็ได้อย่างมากก็เพียงแต่ขอให้มีอาหารรับประทานไปวันละมื้เท่านั้นก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> นี่คือชีวิตของพวกเรามันแสนจะเรียบง่ายแต่พวกเราปล่อยให้กิเลสตัณหามันหลอกฉุด ให้เราไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอจนไม่สามารถอยู่แบบเรียบง่ายได้ต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ต้องมีคนนั้นต้องมีคนนี้พอไม่มีขึ้นมาก็เศร้าโศกเสียใจเศร้าส้อยหนอยหเหงาเพราะพวกเราไม่เคยได้ศึกษาได้เคยฟังเทศฟังธรรมกันนั่นเองวันนี้เราได้มาฟังแล้วเราจึง